เอ่อในการศึกษาเวทนานุปั ส, สนาสติปัฏฐานที่ศึกษาในเรื่องของสักการบรหาสูตรก็ตามลําดับไปนะเอ่อในหน้าที่หน้าที่สิบแปดเปิดในเวทนานุปั ส, สนาในหน้าที่สิบแปดจะเห็นนะในข้อที่สองต่อมาก็คือเทา้าสกะจอมเทพก็ชื่นชมโมทนาในพุทธภาสิกนะที่พระบรมศ า, ศาสดาได้ตรัสพยากรณ์แล้วเนี่ย จึงได้คุณถามปัญหากับพระบรมศาสดาให้ยิ่งขึ้นไปบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีฤทธิ์ความเรศยาและความตนีมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุ ท, ทยัยมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีความเรศยาและความตนีจึงมีเมื่ออะไรไม่มีความเรศยาและความตนีจึงไม่มีใช่ไหมพระบรมศาสด า, สดาก็ตรัสว่าดูก่อนจอมเทพ ความริษยาและความตมามณี ม, ณนน ม, <lovers> มีอารมณ์เป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักปิยาปิญญาเนี่ยแหละนะมีอารมณ์เป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นเหตุเป็นสมุทยัยเป็นกําเนิดเป็นแดนเกิดเมื่ออารมณ์เป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักมีอยู่ความริษยาและความตณีจึงมีอยู่เมื่ออารมณ์อันไม่เป็นที่รักและอารมณ์เป็นที่รักมีอยู่ไม่มีอยู่ความริษยาและความตณีจึงไม่มีทีนี้ อารมณ์มันเป็นที่รักและอารมณ์มันไม่เป็นที่รักคืออะไรนะอารมณ์มันเป็นที่รักและอารมณ์มันไม่เป็นที่รักคืออะไรอารมณ์มันเป็นที่รักเนะี่ยคำว่าคำว่าความสงสัยเนี่ยนะคือตอนนั้นอ่ะหลังจากที่พรุทธเจ้าประกาศเกี่ยวในเรื่องของความวุนินวายและความเต็มีจบ ท้าสกากก็บอกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าในข้าพระองค์ในข้ามพ้นความสงสัยในปัญหาข้อนี้แล้วไม่จะกลาบมาตินนาเมตหากลางขาบอกอุ้ยหายสงสัยแล้วบอกว่าชื่นใจเหลือเกินเนี่ยนะท้าสกากก็ตรัสว่าปัญหานี้ฟังพระดารัสของพระองค์ข้าพระองค์ก็ข้ามพ้นความสงสัยท้าสกาก ไม่ทรงแสดงความที่ทรงข้ามความสงสัยได้ด้วยอำนาจแห่งมรรคก็หมายความบอกว่าตอนเนี้ท้าสกะยังไม่ได้บรรลุทาสกะเนี่ยไม่ทรงแสดงความข้ามสงสัยได้น่าหนักมากหมดความสงสัยกล่าวว่าอะไรวะวิคตากระถังกระถาเนี่ยบอกว่าความสงสัยแม้อย่างนี้อย่างนี้นี้อย่างไรปราศจากหมดไปแล้วเข้ามูลเนี่ยมาจากคาว่านิทานนาทีเนี่ยใจความก็ได้กล่าวบอกว่า อะไรล่ะเป็นปัจจัยทําให้เกิดความริษยาและความตนีพระบรมศาสดาก็บอกว่าอารมณ์อันเป็นที่รักนี่แหละเป็นปัจจัยเกีับความริษยาและความตนีและอารมณ์ที่ไม่เป็นที่ไม่เป็นที่รักมาจะกคำว่าปิยาปิญญนิธานังปิยาปิญญานินาานเทานางก็แปลว่าความตนี ที่มีสัตว์และสังขารเป็นที่รักเป็นข้ามูลความริษยาก็มีสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเป็นข้อมูลหรือทั้งสองอย่างก็มีทั้งสองเป็นข้อมูลทีนี้เรามาพิจารณาดูว่าความตั น, นหนีเนี่ยมีสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นข้ามูลจริงไหมความริษ ย, ยาและสังขารอันไม่เป็นที่รักเป็นข้ามูลจริงหรือไม่ ว่าความตัีเนี่ยถ้ารักแล้วห่วงไหมห่วงใช่ไหมรักก็ห่วงไม่อยากจะให้ใครมาเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้นเรารักตาของเราในเราห่วงไหมใช่ไหมรักตาก็ไม่อยากแล้วเมื่อเรารักตาของเราเราอยากให้มีคนมาตําหนิตาเราไหมใช่ไหมเออความตันหนีอ่ะ ถ้ามีใครมาชมตาเราบ่อยๆแล้วยิ่งตนันดีไหมยิ่งดูแลตาดีขึ้นมหมโอ้โหเนี่ยไอ้ความตันดีก็เพิ่มมาที่มั้ยอารมณ์มันเป็นที่รักแล้วไม่เป็นที่รักนี่แหละมันเป็นเหตุแห่งความตนันดีในสัตว์และสัะสงขารไอ้ทีนี้เกี่ยวกับสัตว์ก็คือเกี่ยวกับบุคคลโดยทั่วๆไปนี่แหละสังขารก็เกี่ยวกันในเรื่องของพวกวัตถุสิ่งของต่างๆมีชีวิตบ้างไม่มีชีวิตบ้างใช่ไหม นั่นแหละเอ๊ตรงนี้มองออกไหมทีนี้เอาดูอย่างนี้ดีกว่านะยกตัวอย่างความตณ์หนีมีสัตว์และสังขารเป็นทิรักทำไมเป็นทิรักอ่ะสำหรับนักบวชเนี่ยนะเอานักบวชก่อนแล้วชาวบ้านดีกว่าถ้าหากว่านักบวชก็มีสัตว์ที่วิหาริกนี่ไหมถ้ามีสัตว์ที่วิหาริกเนี่ยพวเป็นนักบวชที่โอบามีลูกศิษก็ก็ห่วง กตัญญูในลูกศิษย์ตนเอไม่อยากให้ลูกศิษย์ของตนเองเนี่ยออกจากตนเองไปไปอยู่กับบุคคลอื่นกลัวตนเองจะไม่เป็นที่รักใช่ไหมอ้โพระโพิสัท์ที่เวลาท่านบำเพ็ญบารมีนะเวลาท่านจะให้สิ่งที่เป็นที่รักเนี่ยโอ้โหต้องละตัวนี้ให้ได้เลยน่ซึ่งเป็นเรื่องยากมากๆเลยพี่แจ้งพี่แจ้เที่กันมาขอรูปเราลองให้ให้มัน คิดหนักเลยนะเนาะเรารักมากลูกคนนี้แต่มีคนมาขอมีร้านไหมยังมีไหมดื่มัหมมีคนมาขอให้หมง่ายเพราะอะไรตนันนีไม่ใช่ไม่ใช่รักรออกไปเลกตันตนีให้สิสลาไปเลยถ้าชาวบ้านกระ บ, บุตรแล้วก็ ญาตินี้เป็นต้นอะไรเนี่ยนะถ้าเป็นพวกสัตว์ก็มีพวกพวกช้างเป็นต้นอลไรเนี้ยย่อมเป็นที่รักเป็นที่หยอกล้อเป็นที่ยึดถือเป็นของของเราขนาดว่าบางคนเนี่ยนะเลี้ยงสุนัข ต, ตัวเนี่ยเขออม่แห้เอาไว้หยอกล้ออมมันรักขนาดนั้นมันหวงขนาดนั้นเนี่ยนะเมื่อไม่เห็นพวกคนเหล่านั้นครู่เดียวทนได้ไหมไม่เห็นก็ทุกข์ ทุกใจใช่ไหมเมื่อเขาได้เห็นคนอื่นผู้ได้สัตว์ที่น่ารักกว่ลิษยาไหมโอ้ริยาเช่นถ้าเขามีหลานมีลูกที่น่ารักกว่าเราลิศยาไหมโอเ้โอเกิดทำไมของของเขามันดีด้เกินลูกเราทำไมแล้วไม่ขยันเลยเข้าใจใช่ไหมเนี่ยยิ่แล้ว ทีนี้ถ้าบอกถูกคนอื่นขอสัตว์นั่นเองว่าพวกเรามีงานบางอย่างโดยสัตว์นี้โปรดให้ยืมสักครู่ถึงก็ให้ไม่ได้ก็หมายความบอกว่าในความตนีและก็ความเดศยาต่างๆเหล่านี้ก็กลุ่มรุมเกิดความตนีด้วยประการดังที่ได้กล่าวฉะนั้นความเดชสยาและความตนีนั้นมีสัตว์อันเป็นที่รักเป็นข้าหมูลก็แะ่ะสําหรับทิกขุนี่นะทิกสูนี่นะบริขารมีบาทมีจีวรเป็นต้นมีที่อยศัาายเป็นต้นเนี่ยถ้าชาวบ้านก็คือเครื่องประดับเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจ ถ้ามีคนเขาจะไปออกงานเนี่ยก็ขอ ย, ยืมเกินงว่าดาวพใชัหนิ ด, ดนึงได้ไหมยอมเอาแต่คนที่เขาเป็นชาวบ้านด้วยกันเได้ ย, มยอมสปาร์ตนะผมเขาบอกวันี่นะั้นพรุ่งนี้เขาจะไปไประชุมขอเพชรคู่ท่าไม่ทราบเป็นไงคิดหลักไหมเดนวอลเลยนะโอ้โหพอดีพี่จะเอาอไปใช้งานใช่ไหมจะห น, นีขึ้นมาเลยอะนี่เป็นอย่างนี้ ฉะนั้นในกรณีลักษณะนี้ให้เข้าใจว่างี่ไงตรงนี้ได้หละถามว่าความริสยาและความทะนีมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นข้อมูลมีสัตว์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักนี่นแหละเป็นครับเป็นคำเป็นเหตุสัตว์และสังขาร น, นี่แหละทีนี้คําว่าสัตว์และสังขารเนี่ยมันก็มีสองส่วนใช่ไหม ถ้าศาสตร์ก็เกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตสังขารก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะแยกแบบนี้ในธรรมวิสูทธเนี่ยสังขารก็พวกสร้อยพวกแหวนพวกนาฬิกาพวกข้าวของอะไรต่างๆแนี้เป็นต้นเนาะแค่เขายืมรอดไปใช้คิดหนักเลยคิดหนักไหมโอ้โหเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยสบายใจเลยใช่ไหมรู้สึกตันหนีแล้วก็รู้สึกมันห่วงแหนขึ้นมาแเลย ตรงนี้นี่แหละที่เขาเรียกว่าเมื่อเขาเห็นสิ่งชนิดนั้นด้วยกําลังแก่คนอื่นก็เกิดความริษยาขอสิ่งทั้งพวงนี้จงไม่พ้นเกิดแก่คนนั้นเขาบอกเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเครื่องประดับต่างเลยนะเห็นสิ่งชนิดนั้นเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นก็หมายความบางทีแล้วก็ริษยาเนี่ยบางทีเนี่ยแปลกมากแค่คนอื่นเขามีความรู้มากกว่านั้นรู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมไม่สบายใจ ทำไมคนอื่นเขาทําอะไรแล้วก็รู้สึกเขาประสบแต่ความสุขภาพเยอะเลยนะเราไม่แย่ล ง, ล ง, ล ง, ลงเลนี่ยเราแค่ได้่อทุกข์เนี่ยเการปฏิบัติเห็นไหมน่ยอันนี้นนี่ที่ท่านสอนอย่างนี้ท่า น, นสอนแนวทางการปฏิบัติเนี่ ย, ยองจีพันหงเนี่ยข้ายป่ะอระการต่อมาความริสยาความสนีททั้งสองมีสังขารเป็นที่รักเป็นข้ามูลแต่เมื่อได้สัตว์และสังขารโดยประการดังที่กล่าวแล้วแต่เป็นชนิดที่ไม่น่ารัก ถึงแม้ว่าสัตว์และสังขารเหล่านั้นไม่เป็นที่น่าชื่นใจของเขาแม้อย่างนั้นก็ตามเพื่อให้พวกกิเลสที่ตรงกันข้ามเป็นไปได้ก็กระทำความลิสยาว่าเว้นเราเสียแล้วใครอื่นเป็นผู้ได้สัตว์และสังขารเหล่า น, นี้เป็นต้นเมื่อถูกขอยืมไปก็ไม่ให้บางทีเนี่ยถามบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะเราเนี่ยไม่ได้ยินดีพอใจนะเช่นเรามีที่มีทางเนี่ยผม่ยินดีอะไรหรอก เพสมมติบางคนมีทั้งเยอะแยะใช่ไหมไม่ยินดีสมมุติคนมีบ้านทักสิบหลังเนี่ยเขาเฉยไหมขขเขาก็เฉยใช่ไหมเขาไม่ได้ยินดีนะตรงนั้นเนี่ยแต่ถ้ามีคนขอก็ไม่ให้ทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้ยินดีอะไรมากมายแต่ถ้ามีคนขอก็ไม่ให้เลยไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมใช่ไหม เก็บให้ล้างๆไว้บางทีก็คือให้สมควรจะเหตุสมัยก็พลากว่าไปไหนพูดจะพูดถึงพลาไม่ก็ดีเก็บของก็ไปใส่ตู้ไว้สเต็มเก็บสจนยีวอนขาดเอาไปเปิดตู้ผูกเป็นรู้ซะนะะคือเก็บไว้เพื่อไว้ทิ้งไนงะเคยเป็นไหมละ่ะเก็บไว้อยา่นั้นแหละไอจะเป็นที่จ เอาคารวาสก็เป็นใช่ไหมเพราะมันมีด้วยกันทั้งนั้นไงเพราะไม่ไม่น้อมในการที่จะขัดเราไม่น้อมในการที่จะละบางทีของเนี่ยเราก็เก็บเ้าไว้ัด้แหละไม่ได้ให้ใครเราเต็มห้องอยู่นั่นแหละไม่ดูทีไรก็ไม่ได้สบายใจอะไรเลยนะแต่จะให้ใครก็ไม่ให้เป็นไหมละ่ะแล้วไม่เคยเอามาใส่เลยเสื้อตัวนั้นเนี่ยเก็บไว้จนเก่าสมควรแก่เห็นก็ทิ้งแล้วซื้อมาใหม่เอาแขลงไว้งั้ยแล้วไม่เคยใส่สักทีอเคยเป็นไหมละ่ะ เราไปดูซิของแบบนี้บางคนเก็บรองเท้าไว้สองรอยกว่าคู่มีคนคนหนึ่ง น, นะเขาถามว่าเขาเก็บรองเท้าสองร้อยกว่าคู่ถามว่าใส่ครบไห ม, มไม่ครบหรอกเอาทำไมแม่คนอื่นก็หวงนี่ไงเนี่ยนี่ไงความตะหนีมีสัตว์และสังขารนันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักแต่ก็หวงแน่นๆเอะเป็นงั้นจริงไหมงั้นกลับไปในภาษาสางเส้น อะไรที่มันไม่ใช้นะเอาเป็นประโยชน์คนอื่นเอาออกให้หมดทำได้ไหยให้มันเหลืออย่างพระเนี่ยพรนเหลือจีวรตวงแล้วสังฆติอีกตวงแ ล, ล้วก็ผ้าสบงผืนสิ้นแล้วอังสาตันตวงะฮะเล<ะ><ะ>ดีแล้วดี อภิการต่อมาก็คือว่าด้วยเหตุะนี้ความเลสยาและความทะนีทั้งสองนั้นมีสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักนะเป็นเข้ามูดก็คือว่าทั้งๆ ท, ที่สังขารและสัตว์เหล่านั้นไม่ได้เป็นที่รักหรอกแต่ก็ยังไปคิดนะถามบอกว่าบางทีเราไม่ชอบหรอกนะไอ้อย่างเงี้ยสึ่งของตรงนี้แต่เราก็มาคิดยังไงเราถ้าให้คนอื่นครอบครองไม่ได้แล้นี้เรา บางทีเนี่ยเราที่เรามีคนคนนึงมดูแลคนนี้เก่งมาสมมติเราหอ้หลูกหลานตัวนี้มันเกมา <_ an> เขาก็บอกเอามาที่เอามาบวชหมองไหมแล้วเว้เราเสร็จแล้วไม่มีใครดูแลได้หนูหัวองมันนี้แหละเคยเป็นไหมล่ะเอายกเข้าวัดป่ะ <_ an> มีลูกมีหลานไว้จากถวายพระเจ้าไปถวายสิค่ห่หงไว้ทำไหม จะเป็นประโยชน์กังศาสนาโดยใช่ไหมเอาให้ดูแล้วก็แก่แล้วก็ตายใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์บุญก็ไม่ได้นะงั้นกลับไปก็ไปบอกลูกหลานกล่อมมันจะเรียกเยอบวชนะลูกนะบวชนะหลานนะบอกทุกวันทุกวันโยกับบวชก่อข้อมูลมันทุกวันเนี่ยก่อเทุกวันไอ้มาไปเจอน้องสาวเขาก็มีลูกบอกทุกวันได้ไหมเขาบอกจะบอก บางทีก็เพิ่มถ้วมีโอกาสโทรไปก็บอกเขาได้บอกบอกวันนี้ยเอาลืมไม่บอกนะบอกเขาบ่อยๆนี่มันลืมนี่สัญญามันสั้นเด็กเนี่ยอัดข้อมูลเข้าไปอัดทุกวันทุกวันโตขึ้นบวชนะโตขึ้นบวชนะจําความได้บวชนะเรียนไม่จบก็สมบวชไปเลยีไปสนใจเรียนทั้งโลกวิะยะบยอดเอามาอายุส่งเนี่ยเรื่องจริงเป็นย่างไงเนี่นี่ไม่ค่อยจะนั่นกันเอาไ้ดูทําไมเอาไปมาก็ทั้งเขาบอกอเอาไปอยู่กับท่านเนี่ลํบาบาก เว้นจะยอมไปแล้วมีใครดูแลได้ก็ว่าไงเป็ น, ปนมันจะไม่หว่วงเนาะสละไหมทุกแย่งสละแล้วเป็นบุญเป็นบุญเหมดเลยเอาสิทาได้ไม่ยอมด้วย น, นะนะเริ่มเข้าใจนะเ ะ, ใจะเริ่มกระจายมาเริ่มกระจายกันเอาาการต่อมาก็คือว่าต่อมาเนี่ยท้าสก่า ก, ก็ถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกบอกว่า ข้าแต่พระองค์คนในระทุกอารมณ์มันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักปิยาปิยะเนี่ยนะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นข้ามูลวางไว้เนี่ยมีอะไรเมื่ออะไรมีอารมณ์มันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักอย่างนี้เมื่ออะไรไม่มีอารมณ์มันเป็นที่รักและอารมณ์มันเป็นที่ไม่รักยิงไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าดูก่อนเทา้าสกะนั้นหน้าที่สิบเก้าดูสิดูตามไปด้วย อารมณ์มันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักมีความพอใจเป็นเหตุเป็นสมูทัยเป็นกำเนิดเป็นแดนเกิดเป็นเป็นความพอใจคำว่าเหตุสมูทัยกาเนิดแดนเกิดนี้เป็นเวทชนะเป็นคำวัยพ์เข้าใจคาว่าวัยพศไหมคือต่างกันโดยพยานชนะแต่อัตถาอันเดียวกันเหมือนคนมีหลายเชื่อ เอ้ใครมีเคยมีชื่อถึงสี่ชื่อมั้ยแต่นี้ก็คือว่าพระริจ้าเวลาแสดงธรรมเนี่ยพระองค์แสดงให้กับคนหลายยมพวกฟังบางคนเนี่ยพระองค์กล่าวว่าเหตุเนี่ยเขาเข้าใจเลยบางบางท่านเกะไม่เข้าใจพระองค์ก็ใช้คําว่าสมูทัยถ้าไม่เข้าใจอีกพระองค์ก็ใช้คําว่ากําเนิดถ้าไม่เข้าใจอีกพระองค์ก็ใช้คําว่าแดนเกิดเข้าใจยัง เออเขาเรียกว่าต่างกันแต่ชื่อ <Okay. S 1> แต่ความหมายอันเดียวกัน <Okay. S 1> เขาเรียกไวยคตก็ได้ววดเววัจนะกัน <Okay. S 1> บางทีเวลาไปอธิบายสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยต้องยกตัวอย่างเยอะเลยใช่ไหม อ, อ๋อยกตัวอย่างตัวนี้ไม่ไม่เข้าใจาก็อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าพระพระเถระอุปมาอีพระราชาฟังนะที่เกี่ยวในเรื่องของพุทธคุณใช่ไหม อ้ประมาเอาเด็ดรวงข้าวสาลีมารวงข้าวสาลีที่เหลือเอ้ยบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจชัดบอกเอาเข็มอะลูเข็มไปจุ่มลงในมหาสมุทรน้ํารอดลูเข็มไอ้น้ําที่เหลืออ้าวยังไม่ค่อยเข้าใจอีกเอานกบินบรอากาศก็แล้วกันนี้อย่างนี้เป็นต้นตรงนี้ก็คือว่าอารมณ์มันเป็นที่รักและอารมณ์ไม่เป็นที่รักนั้นนะนะถามบอกว่า อารมณ์มันเป็นที่รักและอารมณ์ไม่เป็นที่รักมีความพอใจความพอใจในที่นั้นบาลีใช้คําว่าฉันทามีฉันทาเป็นอะไรฉันทานิทานนานก็มีฉันทาเป็นนิทานฉันทาสมุทัยะก็มีฉันทาสมเป็นสมุทัยเนาะมีฉันทาเป็นกําเนิดมีฉันทาเป็นแดนเกิดความพอใจมีอยู่กี่อย่างความพอใจนั้นในชั้นของอัตถกถาฉันทาเนี่ย คือความพอใจเนี่ยท่านความพอใจในที่นี้เป็นชื่อของตัณหานะเนี่ยนะคำว่าพอใจในที่นั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันทะธรรมดาแต่เป็นฉันทะที่เกิดร่วมกันกับเกิร่วมกับอะไรเกิดร่วมกับตัณหาฉันทะที่เกิดร่วมกับตัณหาความฉันทะความปรารถนานี่นะ ความพอใจในการที่จะเห็นจะได้ยินจะได้กลิ่นเป็นต้นเหล่านี้แต่ในที่นี้ท่านบอกว่าความพอใจในการแสวงหาความพอใจในการได้มาความพอใจในการใช้สอยความพอใจในการสระสมความพอใจในการสลักถามว่าความพอใจในการแสวงหาคืออย่างไรคนบางคนในโลกเนี่ยเกิดความพอใจไม่อิ่มก็แสวงหารูปไม่อิ่มก็แสวงหาเสีเส eks, ยง แสวงหากลิ่นแสวงหารสแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องบางกลุ่มก็แสวงหาทรัพย์นี่คือความพอใจในการแสวงหา เ, าเราเนี่ยเราพอใจไหมเรายังแสวงหารูปอยู่ไหยแสวงหารูปอยู่ยังอยากจะไปดูอะไรอยู่ไหมนี่ตัญหาเอ้ยฉันท่านี่เป็นเหตุของอะไรนะเป็นเหตุให้เกิดความรักและ เกิดความไม่รักใช่ั้มแสวงหารูปสรวจตัณหายินดีพอใจในรูปยึดมั่นในรูปสแสวงหาเสียงยินดีพอใจในเสียงยึดมั่นในเสียงกว่าไปสแสวงหากลิ่นใช่ไหมคือสแสวงหารูปชื่อว่าสแสวงหาตาสแสวงหาปรารถนาจะได้ตาก็ทํากรรมเพื่อจะได้ตาสแสวงหาเสียงก็ปรารถนาหู สแสวงหากลิ่นก็ปราถนาอยากจะได้จมูกใช่ไหมสแสวงหารสแสวงปัดนะจะได้ลิ้นนีลิ้นชาติต่อไปจะได้ลิ้นอะไรก็ไม่น่ากลัวเลยอ่ยอาวจอระเขีมีลิ้นไหมโอ้ก็ลิ้นแบบเจอระเขีน่าเกลียดจริงจิ้งจกมีลิ้นไหมเห็นเอ้เราเอ้เราทํากรรมเราทํากรรมที่จะเป็นจิ้งจกนี้บ้างไหมมีหรื่มีอ่ะ เอกรรมอะไรที่เป็นยิ่งจบกรรมที่ทําได้ดูโมหะนี่ใช่ไหมทําเยอะเลยเนี่ยเราก็สแสวงหารูปแสวงกหารสสัมปัติแล้วก็สแสวงหาทรัพย์ฉะนั้นในขณะที่สแสวงหาสิ่งต่างๆวันนี้ก็เป็นไปด้วยอํานาจของการพอใจอย่างนี้เขาเรียกความพอใจในการได้มาก็คือว่าบุคคลบางลูเกิดความอิ่มความไม่พอใจเนาะย่อมได้เฉพาะรูปก็ามาบางคนเนีเกิดความพอใจไม่อิ่ม ไม่อิ่มในรายไม่อิ่มในรูปในอิ่มไม่อิ่มในเสียงไม่อิ่มในกลิ่นไม่อิ่มในรสไม่อิ่มในสัมผัสไม่อิ่มในทรัพย์นี่คือความพอใจในการได้มาคือมันถมไม่เต็มเลยอ๋อไอความพอใจในการได้มามันถมไม่เต็มนี่แหละเป็นข้อสุดท้ายที่ทําไมท่านพระรัฐบาลจึงออกบวชท่านบอกว่า เพราะคุณเจ้าทำไมยิงบวชรัลต์ปาลาก็เลยบอกกับพระเจ้าโกรพยยาบอกว่าอัตมาเนี่ยเป็นโทษของตัณหาใช่ไหมว่าไม่รู้จกอิ่มเป็นทาตของตัณหาพองอยู่เป็นนี้ก็คือศาสตร์โลกเนี่ยเป็นทาตของตัณหามีตัณหาคอยบงการทมเท่าไรก็ไม่เต็มแล้วจริงไม่เป็นอย่างจริงเลยอในชีวิตของเราในภพปัจจุบันภพเนี่ยไม่พอใจเลย น, นี่ ถามว่าเรากินอาหารทุกครั้งโนาเราก็กินด้วยตัณหาและกินด้วยปัญญากินด้วยตัณหาแล้วมันถมเต็มไม่ยแล้วเราอความอยากจะดูเนี่ยมันพอหรือยังเห็นั้นมันก็ก็สือกกระสนมันอยู่อย่างเงี้ยนี่ความพอใจในการได้มาเป็นอย่างนี้ความพอใจในการใช้สอยบางคนในโลกนี้ก็ไม่อิ่มนะก็ใช้สอยได้รูปมาก็ใช้สอยรูปไหม ใช้สอยไหมเอ้าได้ได้ผ้ามาก็ใช้สอยผ้าแล้วพอใจไหมเนี่ยมันพอใจเลยใช่ไหมก็ใช่ไงได้เสียงมาเอาก็ไม่พ อ, อก็ใช้เสียงเลได้กลิน่นได้รสได้สัมผัสได้ทรัพย์มาก็ใช้สอยทรัพย์แล้วมันก็ไม่พอใจอยู่แค่นั้นแล้วมันก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นใช่ไหมกำลัาลไม่อิ่มในการที่จะได้มาอย่างนี้ในการใช้สอย ความพอใจในการสะสมบางคนเกิดมาในาความพอใจไม่อิ่มย่อมทําการสะสมทรัพย์ได้คิดว่าจะมีคราวในวิบัติมีความก็มีความพอใจในการสะสมโดยประการอย่างนี้ก็หมายก็บอกว่าพอได้สิ่งของต่างๆามาแล้วก็ได้ก็สะสมสะสมก็เออเี่ยต่อไปเนี่ยเอาทําไมกินเก็บบอกโอ้เดี๋ยวเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาพวกนังง้นมันก็คิดอยู่เนี้ย ประการต่อมาความพอใจในการสละคือเกิดมาก็พอใจไม่อิ่มจ่ายทรัพย์เอานี่นะถ้าเป็นพระราชามาหากษัต์ก็โอ้โหนี่กองทัพใช่ไหมงบประมาณเนะี่ยเอาอันนี้ไปกระทรวงกลาโหมงบประมาณจัดสรรไปที่เอากระทรวงกรเกษตรเอากระทรวงคมนาคมเอากระทรวงมหาดไทยใช่ไหม เอากระทรวงศึกษาธิการเอากระทรวงสาธารณสุขนั่นมันพอมันมั น, ม, น, ม, นมันพอใจในการสลับสละแบบเนี้ยแล้วมันอิ่มไหมตัณหาก็กินดีนก็ขัดแย้งกันแล้วก็ไปจ่ายกันอย่างเงี้ยเมื่อเราจ่ายสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วบุคคลเหล่านี้ก็จะได้รักษาจะได้คุ้มครองเอาคนที่เป็นใหญ่และดับกระทรวงทั้งหลายเนี่ยนะเวลาใช้ทรัพย์ไปนนะสิ่งต่างๆนี้จัดสรสรซั์ลงไปอย่างนี้เบเสร็จเนี่ย เพื่ออะไรเออคนเหล่านี้จะได้รักเราคนเหล่านี้จะได้ชอบเราคนเหล่านี้จะต้องดูแลเราหรือถ้าหากกรณีที่เป็นใหญ่ต่างๆเอา้าอันนี้กองทัพมากองทัพช้างกองทัพรถสิ่งต่ตางๆบุคคลเหล่านี้ได้จะทําให้เรามั่นคงจะทําให้คนของเรามั่นคงประเทศของเรามั่นคงมันก็จะพอใจกันอยู่อย่างเงี้ยแต่เป็นปัญหาหมดเลยโย่เป็นตัญหาหมดเลย เ, เ, หหเลยข้าใจยังเนี่ย และที่เรามาดูในรายย่อยๆ อ, อ, อย่างเราท่านทั้งหลายเราจ่ายไปก็เหมือนกันให้ลูกให้หลานแต่ต้องการจะให้บุคคลเหล่านั้นว่าเป็นบริวารห้องรอมเรานี่ก็จะพอใจในการใช้สอยเขาใช่ยังเอาแล้วจัดจ่ายไปที่เมีมีบริวารเท่าไหร่ก็ว่าไปจับจ่ายไปแต่เป้าหมายอยู่ไงไม่ได้เป็นเป้าหมายเพื่อกรารสละที่มันเป็นไปเพื่อปัญญาสติหรือสมปชัญญาอะไรหรอกมันกระจายกันทุกวันใช่ไหม มันก็ใช้กันทุกวันจริงไม่จริงอตื่นขึ้นมาบางคนก็แจกซองแล้วแจกลูกแจกหลานแจกอะไรก็ว่ากันไปแล้วบรรดาบรรดาไอนายห้างนายกองทั้งหลายก็แจกดี่ใช่ไหมโยสมสลานแจกนี่ก็เลยพอใจในการสลักแต่ไม่ใช่เป็นทางเดี๋ยวนี้นมาไปบอกโยมหลายคนนะนี่ยังไงก็ให้มันแล้วทําให้เป็นกุศลได้ไหม คืออย่าทํารื้ตัณหาแล้วตื่นขึ้นต้องจ่ายเงินลูกหลานไหมจ่ายไหมจ่ายทุกครั้งนี่เป็นบุญไหมเห็นไหมมันเป็นมันเป็นตัณหาเท่านั้นแหละมันเป็นความพอใจเป็นฉันท่าบวกกับตัณหามันไม่ได้ไม่ได้เป็นไปเพราะการสลาปล่อยวางอะไรเลยเห็นไหมอ้าเอาเงินไปใช้ที่อ้าวคนนั้นเอาไปเท่านั้นคนนี้เอาไปจริงไ้ยโย เป็นแล้วเป็นทานกุศลไหมไม่เป็นเลยเพราะอะไรเพราะจิตที่คิดจะให้มันเป็นฉันท่าบวกกตัญหานี่แหละนี่เข้าใจเนาะตรงนี้เนี่ยแหละท่านถึงบอกว่ามีอะไรเนี่ยบอกว่าความอารมณ์มันเป็นที่รักไม่เป็นที่รักมีความพอใจเป็นเหตุมีความพอใจเป็นสมุทัยเป็นแดนเกิดเป็นกำเนิด เมื่อความพอใจมีอารมณ์มเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักก็มีเมื่อความพอใจไม่มีอารมณ์เป็นที่รักและอารมณ์เป็นที่รักก็ไม่มีเนี่ยนะอภิบาล ต, ต่อมาก็คือท้าสกาา่าก็ถามพระพุทธเจ้าอีกบอกว่าถ้าแต่พระองค์ควรจะทุกข์ความพอใจคือฉันท่าเนี่ยความพอใจคือฉันท์ท่านมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเดชเกิดมีอะไรเป็นกําเนิด้วย เออมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นดันเกิดเมื่ออะไรมีความพอใจจึงมีเมื่ออะไรม่มีความพอใจจรงไม่ม magic. mm. ีเพราะพระธศาสดาก็ดูก่อนจอมเทพความพอใจมีความตรึกมีความตรึกเป็นเหตุมีความตรึกเป็นสมูทัยมีความตรึกเป็นกำเนิดมีความตรึกเป็นดันเกิดนี่นะเมื่อความตรึกมีความพอใจก็มีเมื่อความตรึกไม่มีความพอใจก็ไม่มีคำว่าความตรึกในที่นี้มาจากคาว่า วิตตากานิธานูมีความตรึกเป็นนิทานความตรึกที่เกิดจากความรู้สึกตันหนักนที่ตรัส บ, บอกว่าอาศัยลาบก็เกิดความรู้สึกตันหนักแน่นี่มาในทีคณิกายมาวักเนี่ยชื่อว่าความตรึกความรู้สึกตันหนักแน่มาจากคาว่าวินิชโยเนี่ยคือความตรึกตันหนักแน่มีอยู่สองอย่างเน า, นนาะความรู้สึกตันหนักแน่ด้วยตันหากับความรู้สึกตันหนักแน่ด้วยทิฐิมีสองอย่างเลยแต่เนี้ย ตรงนี้มาใหญ่เลยเลยเนี้หนึ่งตันหาร้อยแปดกับทิศที่หกสิบสองจะมาพัวพันเลยเลยเนี้ฉะนั้นความตรึกในที่นี้เป็นเชื่อของตันหาตรงๆเลยกับเป็นเชื่อของทิศทีเป็น ม, มิขฉาทิศที่ด้วยนะน่ากลัวไหมดเดี๋ยนี้ลองดูเ้าไล่มาดิอันแรกอะไรนะฤิ์สยาและความตนีมีอะไรเป็นเหตุนะ อารมณ์ที่น่ารักและไม่น่ารั ก, แ ล, รก แ, ลและอารมณ์ที่น่ารักและไม่น่ารักมีอะไรเป็นเหตุนะมีอะไรมีฉันทะนะ่ไหมฉันทะที่บวกกับตัณหาเนี่ฉันทะเนี่ยนะมีอะไรเป็นเหตุมีวิตตากาณิทานุก็หมายความว่ามีการตรึกการตรึกมีสองอย่างวิตกนั่นเองวิตกที่เกิดร่วมกันกับตัณหากับวิตกที่เกิดร่วมกันกับมิจฉาทิฏฐิหกสิบสอง โอ้ใหญ่เลยนี้ยอะมากทีนี้บางคนเนี่ยนะคิดไปด้วยอํานาจของตัณหาโอ้โหคิดมากเลยวันวันเนี่ยเอาคิดในเรื่องของคิดในเรื่องของอะไรไปทางด้านของการมมัจจานหาเพราะว่าตัณหา ว, าวิเพราว่ตัณหาเอาในกรมตัจนหาก็แยกเป็นอารมณ์หกไหมแยกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์ใช่ไหม ภาวะตัณหาก็แยกเป็นรูปเสียงกินรสสัมผัสและกระทำอารมณ์วิภาวะตัณหาก็แยกเป็นรูปเสียงกินรสสัมผัสและกระมอารมณ์เป็นเท่าไหร่ได้เนี่ยสามสบกสิบแปดแล้วเป็นไงไงอดีตเท่าไหร่สิบแปดปัจจุบันเนี่ยอานาคตเป็นเท่าไหร่สามสิบหกเป็นเท่าไหร่นะสิบแปดบวกสามสิบแปดแล้วก็เป็นห้าสิบสี่เนาะ ห้าสิบสี่ภายในห้สี่ภายนอกเท่าไรห้าสี่รวมกันเป็น <50. S 1> นี่ได้ศานาร้อยแปดแล้วเ <50. S 1> ข้าใจยังนี่มันมันคิดอย่างเนี้ยนะบางทีก็คิดไปกับการมติหาโอ้ยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทํามันลงฉะนั้นความคิดความตรึกเนี่ยส่วนหนึ่งตรึกไปทางด้านของตัณหาไอ้ส่วนหนึ่งตรึกไปทง า, ง, านน ง, ปทงด้านของทิฏฐิ เอไลที่ถีไอ้ฟังดีกว่านะเนี่ยเทศถีมันมีได้มาจําได้กว่าเนี่ ย, มมมม ไ, มนนยไม่ได้มาไม่เป็นไรแล้วแค่ความจํำดูเนาะในปุพันตะกัปปิกะทิฐิมีสิบแปดอปรันตะกัปปิกาทิถิมีห้าสิบสี่รวมเป็นเท่าไหร่เอสี่สิบสี่มั้งอ่าสี่สิบสี่ สี่สิบสี่บวกสิบแปดเป็นเท่าไหร่เป็นหกสิบสองครบอดีเลยอันมาเดาถูกดีดีคือปุพันตากกปบิกะทิฏฐิเนี่ยเป็นทิฏฐิที่เป็นไปในส่วนของอดีตการคิดด้วยอดีตนะกับอปรันตากกับิกะทิฏฐิเป็นความคิดที่เป็นไปในส่วนของอนาคตก็คือทิฏฐิเหล่านี้นะการเห็นว่าโลกเทียงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชี่นั้นสรีลักษณ์ปั้นเป็นต้นเลย เป็นพวกศาสตรอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มพวกเดี่ยวในเรื่องของพวกสัญญาวาทะสัญญาวาทะไปต้นหลานเนี่ยนะสรุปก็คือในบรรดาทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยมันเป็นไปในส่วนของอดีตและอนาคตและมันมีอะไรเป็นแกนหลักอยู่มีสักยทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิที่ฝังนั่นในกำมลสนัสดานของเราท่านหลังหลายนี่เป็นแกนหลักอยู่ตรงนี้มีอยู่สองกลุ่ม วิตกที่เกิดที่เป็นไปกับตัณหากับวิตกที่เป็นไปกับทิฏฐิเขาจึงเรียกว่าอะไรนะตัณหาจริตกับทิฏฐิเจริตอย่างเราคนตัณหาเจริตญทิฏฐิเจริตอ้าวอย่างเรานี่ตัณหากับทิฏฐิเนี่ยไห น, นไหนมามากกว่ากันอันมาว่าเป็นมิสกะใช่ไหมจ๊เป็นกลุ่มมิสกะ บางทีก็หูตรงนี้ก็ถึงบอกว่าทิศที่หกสิบสองดังที่ได้กลา่าวบอกความตรึกนี่นะความรู้สึกตันหนักด้วยตนันหาแล้วก็ความคิดด้วยอำนาจของทิศที่หกสิบสองความตันหนักแน่ทิศได้ประการดังที่กลา่าวจึงไม่มีการชี้ขาดลงไปว่าหน้าปรารถนาไม่น่าปรารถนาน่ารักใครไม่นารักใคร ด้วยอำนาจแห่งความหนักด้วยตระหนักล่าวมาแล้วอย่างนั้นเพราะสิ่งนั้นน่ะเองเป็นหน้าปรารถนาสําหรับบางคนแต่ไม่หน้าปรารถนาสําหรับบางคนนะเหมือนการชี้ขาดในไส้เดือนหรือกวางแล้วก็เนื้อเป็นต้นของพระราชาในส่วนภูมิภาคพระราชาในประเทศส่วนกลางเมื่อวัตถุที่ได้รับรู้นั้นถูกชี้ขาดด้วยความตหนักแน่โดยตระหนัแล้วจึงมีการชี้ชัดลงไปกับความรู้สึกตหนักและความตื่นว่าเป็นรูปของเป็นรูปเท่านี้ เป็นเสียงเท่านี้เป็นกลิ่นเท่านี้เป็นรสเท่านี้เป็นสิ่งที่พึ่งถูกต้องเท่านี้เป็นของเราเท่านี้เป็นของเขาเท่านี้จะเก็บไว้เท่านี้จับให้เท่านี้เป็นต้นด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าฉันท้ามีความตรึกเป็นข้อมูลตัวนี้ก็คือบอกว่าเกี่ยวในเรื่องของเนี้ยปัญหาต่างๆเหล่านี้มาจากพวกอานาจของความตรึกนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่างๆดังที่ได้กล่าวทีนี้ประการต่อมาก็คือบอกว่า ถามมาฆ่าแต่พระองค์คนนี้ระทุกความตรึกมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเพราะอะไรมีความตรึกจึงมีเพราะอะไรไม่มีความตรึกยิงไม่มีถามบอกว่าไอ้ความตรึกที่เป็นไปกับตัณหาคือความยินดีความเพลิดเพลินเนี่ยความตรึกที่เป็นไปกับทิฏฐิคือความเห็นผิดความสําคัญเริ่มตั้งแต่เบื้องต้นเลยก็คือว่าเนี่ยความเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นต้นดังที่ได้กล่าวใช่ไหม รูปเป็นเราเราเป็นรูปเวทนาเป็นของเราเราเป็นเวทนาสัญญาเป็นของเราเราเป็นสัญญาสังขารเป็นของเราเราเป็นสังขารวิญญาณเป็นของเราเราเป็นวิญญาณอเยกอยู่เนี้ยนะเชื่มั่นไหมผมคนและปันน้ำเนื้อเอ็นกระดูกเป็นของเราใช่ไหมเออบางชนหนักไย่างนั้นใครเคยคิดไหมผมของเราไหมเคยคิดไหมผมอยู่ในเราเคยคิดไหมเออผมก็อยู่ในเรานี่แหละไอ้ตัวเราแบกผมก็ไว้นี่นะและเรายังไปอยู่ในผมอีก จะมาเอาเราอยู่ตรงไหนบอกในผมนี่นแหละอยู่ในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกนี่นแหละมันไปเยึะขนาดนั้นเนะเนี่ยรูปเป็นเราแล้วก็มาเราเป็นรูปวันนี้เราตัวหนักวันนี้เราตัวเบาอ้าวใครเคยหวานสิ่งนีวันนี้วันนี้เราตัวหนักเธอก็ยังงเธอรู้สึกไหมอ้าวเราตัวหนั ก, ก, งงรร น, กนี่เป็นสำคัญอะไร ไปสำคัญว่าปัทวีธาตุเนีเป็นเราปัทวีธาตุเป็นรูปไหเนี่ยเป็นสำคัญปัทวีธาตุเป็นเราวันไหนปัทวีธาตุมันมากหนักไหมหนักมช่ไวันไหนปัทวีธาตุมันน้อยเบาไหมเราไปต่อเนื้วันนี้เราตัวหนักวันนี้เราตัวบาเห็นไหมไปสำคัญปัทวีธาตุเป็นเราเฉยรู้วน่าเกียดไหมเออบางคนหนักว่าวันนี้เรามีความสุขเออไปสำคัญเวทนาเป็นเราเฉยเลยไอ้เวทนาขันเน่ย เกิดดับเร็วตลอดเวลาใช่ไหมเออวันนี้วันนี้เรามีสุขใช่ไหมวันนี้เรามีทุกข์เออเป็นสำคัญทุกขเวทนาเป็นเราก็อีกเวทนาเกิดดับเร็วไหมยมสุวรรณนะผมเร็วเร็วไหมเคยเห็นฟ้าแลบไหมเร็วไหมเวทนาดับเร็วกว่านั้นที่สําคัญสายฟ้าแลบเป็นเราแต่เป็นงั้นจริงนะ รูปก็ดับได้เร็วกว่าสายฟ้าแล้วกระพริบตาเนี่เร็วไหมเนี่ยสําคัญเป็นเราไปอยู่นีมันหายไปยังอ๊อเช่นเวลามีเสียงชมบอกว่าแม้วันนี้แต่งตัวงามแล้วก็ไปยึดเสียงนั้นดับไปอยัง น, ยนี่ไปเยึดในสิ่งที่มีไหมเหมือนคนยินดีสายฟ้าแล้ว่าเป็นของเรา โอ้โหมนุษย์เป็นขนาดนั้นเลยนะจะบางทีเขาพูดแต่เมื่อวานเนี่ยแล้วก็โกรธมาวั น, น, นเนี้ยมนันไม่ดับหมดแล้วยังไงดับหมดแล้วเหตุปัจจัยก็หมดแล้จริงไหมบางทีเมื่อปีที่แล้วเนีย่ยยิ่งหนักใหญ่โน่นชาติที่แล้วยิ่งไปใหญ่เลยคนะนมนุษย์เราเนนะไปยึดในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงมันเกิดแล้วมันก็ดับไปหมดแล้วเนี่ยย้อนสมั เออไปคิดว่าวันนี้เรามีสุขวันนี้เรามีทุกข์บางทีบ่าความสุขอยู่ในเราเอาติเรไปคิดวเวทนามาสิงอยู่ในเร่ไหมเราอยู่ในเวทนาไปใหญ่วันนี้เราจําได้เคยเคยใช่ไหมมันมีไหมเนะี่ยเอาเป็นงี้จริงไหมแล้วก็ยึดกันอยู่อย่างนี้ นาขานาค้าวก็ลูกเราเอา้าวตรงไหนลูกเราผมไหมลูกประขันเป็นลูกของเราหรือเวทนาขันหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณเห็นไหมยึดหมดแล้วเข้าใจผิดหมดแล้วไอ้ตัณหาทิฏฐินี่ยเข้าไปยึดติดหมดแล้วแล้วแกะไม่ออกก็เราไปเห็นลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเป็นลูกได้ยังไง แล้วเราไปเห็นเราไปเห็นดินน้ำไฟลมอ่ะสีกริรลวดโอชาธาตุไปเห็นอ่ะวิญิโพลกับรูปแปดไปโอ้อรรประหลาดแค่แล้วเอาบางคนได้วิญิโพคกัรูปแปดแล้วก็โอ้อยใช่ไหมมาอุ้มวิญิโพคกัรูปแปดแล้วก็ ม, มันก็เกิดดับตลอดเวลาแล้วโอ้ยลูกน้ารากลูกน้าลรัก <fish> ้าใจายอย่างโยนสมา มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันยึดติดหมดแล้วทาําไงล่ะแต่ถ้าเราเข้าไปรู้อย่างนั้นาาาอาจารย์เนี่ยเ่นเราเข้าไปรู้ว่าขันท่าเป็นเราแล้ เ, เราเป็นขันท่าแต่เนี่ยไอความที่เป็นตะ ก, กายยักที่ทิเนี่ยจะเบาบางทำไมาเพราะว่าเรายังมีโอกาสาเข้าไปรู้ขันท่าหรือไปรูปดปด้ดีงานลงไปเนี่ยคือคืออย่างนี้ไม่ไปรู้เลย <c ười> ใช่ เบื้องต้นเลยต้องรู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบื้องต้นต้องรู้จักผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกต้องวิจัยให้ชัดว่าไม่งาไม่เที่ยงไปทุกอะไรก็ว่ากันไปนี้นะแต่ให้รู้จักแยกแยกให้เป็นว่าแท้ที่จริงเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามเท่านั้นแหละใช่ไหมพอไปเข้าใจไปเจาะเข้าใจงี้เบ็ดเสร็จว่าทุกความเป็นรูปเป็นนามชัดเจนแล้วก็ให้เข้าใจต่อไปในปัจจัยมาอย่างไงมาอย่างไงมันจะได้ไม่มีจิตผิด เระยกตัวอย่างเราไปยึดมั่นว่าอันนี้ลูกเรานะแล้วก็ลองมานั่งวิจัยดูทีตาหูจมูกเล่นกายใจใช่ไหมนี่เป็นอัตตนิยะนี่เราถามว่ามูลเหตุที่เราไปยึดข้างนอกเพราะเราเยึดตาหูจมูกเล่นกายใจว่าเป็นของเราใช่ไหมเราเลยสำคัญว่ามันมีมันมีของของตาหูจมูกเล่นกายใจทีเขาเรกอัตตนิยะของที่เนื่องด้วยตนตนและของของตน พอเราไปซ้ำแข็งกับตาของเราหูจมูกริ้นกายใจของเรามันก็เลยมีของทินเนื่องด้วยตนของทินเนื่องในเรามันก็มีแหละเห็นไหมการที่เราผิดพลาดในการถ้าเหมือนกระดุมเม็ดแรกมันใส่ผิดเนี่ยมันไปคิดว่ามีเราซะแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีของของเราเต็มไปหมดถ้าเราไม่มีแล้วมันจะมีของของเราไหมมันก็ไม่มียังไงจะย้อนมานั่นพราขาดการวิจัยตามความเป็นจริงแท้ๆ ให้สังเกตดูนี่ว่าเราเนี่ยไป ย, ยึดหมดแล้วจริงมไหม ย, ยึดแน่นนังเข้านังเข้ามันก็ยึดเขาเรียกอัตตานิยมีสองส่วนไงส่วนที่มีวิญญาณคลองกับส่วนที่ไม่มีวิญญาณคลองถ้าไม่มีวิญญาณคลองก็แว่นของเราบ้านของเรารถของเราลานค้าของเราใช่ไหมหนาของเราท่าของเร า, า, เ, ราเยอะหมดลเลยตรงนี่ย อันนั้นคือส่วนไม่มีวิญญาณครองถ้ามีวิญญาณคองก็ลูกเราหลานเราเพื่อนเราพ่อเราแม่เราใช่นไหมแท้ที่จริงมันมีอยู่จริงไหม